สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคํากฎข้อที่11ครับเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องมาก่อนอะไรมาก่อนและมาหลังเรียกว่ากฎแห่งก่อนหลังพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนเราในการดาเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้าการเรียงลาดับความสาคัญก่อนหลังนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ฝัง่งเรียกว่าพิอริตี้เป็นเรื่องสําคัญถึงขนาดกลายเป็นหลักการที่ชัดเจนในรภรคกมพีครับกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับกฎระเบียบในรภรคกมพีเลยครับวันนี้เราจะมาดูนะครับใน2ประการแรกด้วยกันครับประการแรกก็คือกฎแห่งกรหลังที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องมีชีวิตที่เรียกว่าเป็น มาก่อนการกระทําพูดสั้นๆก็คือว่า be-ing ต้องมาก่อน do-ing เป็นมาก่อนทําครับคนคนหนึ่งเวลาที่เขาเป็นคนอย่างไงเขาก็จะทําอย่างที่เขาเป็นการมีชีวิตหรือการเป็นเป็นรากของกระทําซึ่งคือผลแน่นอนครับรากต้องมาก่อนรากต้องอยู่ก่อน และนี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ครับว่าต้นไม้ชนิดใดก็จะเกิดผลชนิดนั้นดังนั้นเองรากคือชีวิตผลคือความเป็นอยู่และนี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจาเป็นต้องมีชีวิตใหม่ทำไมเราจะต้องบังเกิดใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่เราจึงเป็นคนใหม่คำว่า being คือเป็นครับดังนั้นการบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่สาคัญมากแต่เมื่อาบาังเกิดใหม่แล้วจริงๆ ชีวิตใหม่นี้ต้องโตวันโตคืนครับมันถึงจะเกิดผลที่ดีชีวิตใหม่มันต้องเติบโตมันถึงจะนํามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่ากระทําดีหรือการทําดีนั่นเองพี่น้องครับมาตรงนี้ทําให้เราเห็นถึงกระบวนการว่าอะไรควรจะมาก่อนมาหลังในคริดจกักรเราจะต้องมาจากคําว่า knowing ก่อนครับ knowing คือการรู้ หรือความรู้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกต้องก่อนความรู้เกี่ยวกับพระคำพีแน่นอนครับต้องรู้พระคำพีตีความหมายพระคมภีอย่างถูกต้องครับการรู้พระคำพีก็มาจากการเรียนละวีวัลศึกษาการที่จะเข้าชั้นเรียนพระคำพีการที่จะฟังเทศนาด้วยความตั้งอกตั้งใจการที่จะอ่านพระคมภีด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและการที่เราเองนั้นจะอธิษฐานเผื่อสำหรับความรู้ที่เราจะต้องมีในการรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับหากว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราก็จะรู้จักพระเจ้าอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเพราะฉะนั้นการมโนโพระเจ้าขึ้นมาเองก็เป็นอันตรายหรือจุดอันตรายอย่างหนึ่งในชีวิตของคริสเตียน บางครั้งบางคนนั้นก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองมนโนพระเจ้าขึ้นมาโดยปราศจากพื้นฐานของพระกัมภีหรือบางคนก็เอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาพระกัมภีเป็นตัวตามมาหรือตัวสนับสนุนอันนั้นก็ไม่ถูกต้องครับเราจะต้องยกพระกัมภีเป็นใหญ่เราต้องให้พระว จ, จนะซึ่งเป็นการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้ามาถึงมนุษย์ให้เป็นใหญ่สูงสุดครับ และความเชื่อต่างๆประสบการณ์ต่างๆต้องอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระกัมภีร์พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระกัมภีร์นั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราก็ด้วยจากเราเองงั้นต้องเริ่มอ่านเราเองต้องเริ่มฟังเราเองงั้นต้องเริ่มเรียนนั่นคือในฝ่ายของเราแต่ในฝ่ายของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระองค์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ จะทำให้เรานั้นเกิดความกระจ่างแจ้งความกระจ่างแจ้งนั้นก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า illumination illuminate นั้นแปลว่าทําให้ส่องสว่างหรือกระจ่างสร้างความประจักษ์พี่น้องครับในการที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์ต้องพึ่งพาอาศัยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราเข้าใจพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราได้ เข้าใจคำเทศนาและเรียนพ่อเจนะของพระเจ้าในชั้นเรียนละวีหรือชั้นศึกษาพระกมพียังไงก็ตามนั้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเป็นพื้นฐานเลยถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าอย่างที่โปรงงรงเป็นก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าอย่างที่ควรเป็นและชีวิตของเรานั้นก็จะปัดไปปัดมาหันไปเหมาตามคาสอนหรือลมปากของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งโลกนี้ก็จะมีคําสอนดีๆเกิดขึ้นแต่ไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องเอาพระวจนะพระเจ้ามาก่อนครับแต่เมื่อพระวจนะพระเจ้ามาก่อนก็คือเราต้องรู้ knowing ประการต่อไปก็คือว่าเราจะต้อง being ครับให้พระวจนะของพระเจ้าที่เรารู้นั้นได้ซึมซับเข้ามาในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา หลายคนนั้นรู้พระเจนะของพระเจ้าฟังพระวจนะพระเจ้ามาหลาย10ปีแต่พระคมภีร์หรือพระเจนะพระเจ้านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะเจนะของพระเจ้านั้นหรือพระคำนั้นเป็นริดเดทครับเพราะว่ามีพระวจมีพระเจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานด้วยกันเหมือนกับรางรถไฟสองรางนะครับ ตีขนานคู่กันไปราง1ทางซ้ายก็เป็นรางแห่งพระเจนะรางหนึ่งทางขวาก็เป็นสนัญลักษ์ตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละครับทำให้รถไฟก็คือชีวิตของเรานั้นวิ่งต่อไปได้ถ้าเราไม่มีรางทั้งสองรางนั้นรถไฟขบวนนี้ก็วิ่งต่อไปไม่ได้ครับคริสจักรก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราก็คือเป็นเหมือนกับรถไฟพี่น้องครับเราจะต้องอาศัยรางทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ก็คือพรวจะนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรมาก่อนกันครับมาพร้อมๆกันครับพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับพรวจนะนั้นเป็นการสัมดงจากพระเจ้าและชีวิตของเราจะเดินไปได้หรือวิ่งไปได้อยู่บนรางสองสองรางนี้ที่เราจะเดินหน้าต่อไปหรือการที่เราจะแล่นต่อไปบนรางนี้นั่นคือชีวิตครับ ชีวิตที่เราต้องเป็นเป็นหมายความว่าเป็นจากข้างในครับไม่ใช่เป็นการเสแสงจากภายนอกหลายครั้งนั้นเราอาจจะพยายามเสแสงจากภายนอกโดยที่พื้นฐานรางของเรานั้นไม่แน่นก็มีวันหนึ่งครับเราต้องตกรางเพราะว่าไม่มีรางให้วิ่งต่อไปเพราะเนื่องจากที่ผ่านมานั้นเราวิ่งด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นสําคัญมากครับก่อนการกระทํา พี่น้องครับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์หรือการเป็นสำคัญมากกว่าที่เราจะทำหลายหลายคนนะครับกระโดดจำไปทำก่อนเมื่อเกิดปัญหาก็ท้อใจเมื่อเกิดอุปสรรคก็เลิกทำพี่น้องครับการมีชีวิตที่เข้มแข็งดเนินไปกับพระเจ้ามีชีวิตที่วางอยู่บนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าและการชรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทาให้ชีวิตของเรานั้น ที่อเป็นและเมื่อเราเป็นดีแล้วพระเจ้าก็จะให้เราทำในสิ่งที่ดีพี่น้องครับจึงจะต้องกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเบสิกก็คือเราจะต้องรู้จักพระเนะาของพระเจ้า knowing เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะบริสุทธิ์จะเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยคือ being และเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้อง ตามน้ำมันไทยและการทรงนำของพระองค์และจะไม่ท้อใจในวันยากลําบากะจะไม่หยุดเลิกในยามมีอุปสรรคนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจในเช้าวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงนำให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายรวมทั้งขื้นจักรที่เราทั้งหลายสังกัดอยู่นั้นจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยการโนวิ่ง เรียนพระเจนะของพระเจ้าครับสอนพระเจนะของพระเจ้าครับและเน้นในเรื่องของคริสเตียนศึกษาหรือการที่ชีวิตของสมาชิกนั้นจะรักในพระคำของพระองค์ให้ชีวิตของเราจะเป็น Be อิ่ก็คือปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและ Do อิ่งก็คือการที่เรานั้นจะรับใช้พระเจ้าจะสําแดงชีวิตออกมาที่จะประกาศเลี้ยงดูและ สร้างสาวกต่อไปขอพระเจ้าทรงนำและเมตตาพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน